و َ ل إنما أوتته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا ي ع ل م ُ قد قال الذين من قبلهم فما أغنهم ما, ما كانوا يكسبون และَาซ س َะُุมสัَยาดูมาคชَบูและ م ี่นั่งรู้มินห์และทีَ่ั่งรู้มินห์ จะเ س َ ي م ย้ยบ م ห์ม س ب ียอาตุมา م าซาบุห์ว م า ع าหุมบิมูจิ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 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. อินนั่ลลอฮะย่อกฟิรุสุนูบะจามียะอินนั่ห์วะอัลกั ل ุรุ ح รหิมบิสมิลลาฮิร์ราะห์มานิรรหิมอินนั illah นะฮัมดุห์วะและนะสตาอินุหะและนะสตาฟิ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 أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه ش ي ء و في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع عليم ر ض ي ت بالله رب وب الإسلام دينا وب محمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من ا ل ك س ا و ا ل ش ُ الكباري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 รั ك ทุกสิ่งและมัลลิกะฉะ ل ั้นว ا, إ, إ, أ ن าอีละอีละอันเถอะอาอุบลิกะมิชั่รีนัฟซีวชั่รีช ا ل ปานีวช ا ริกีวะอันอักรตารีฟะะลานั حد ะว ا ลาชัริกะลาละบุ ل มุลกุวะละหุลฮัมดุวะฮฺ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 برحمتك أستغيس أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفت عين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم رحمة الله وبركاته الحمد لله بن ้องที่ร่วมนมัสการรบที่มัสยิดอันบาริสุนนะครับวันนี้นับแล้วประมาณท่าน ความดีดลิศ <c oughs> ด้วยความเมตตาของ Allah s u b h a n u wa t a l a นะครับอเลให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเป็นสัตว์เนี่ยนอนตามต้นไมน้เราเกิดมาเป็นคนนเะล่ให้นอนที่บ้านขอบคุณอัลเล่านะครับที่ Allah ให้พบกับโรคโควิดบางคนเนี่ย ทำตัวไม่เป็นปัาคนนั้นตำหนิคนนี้ถ้าเดินตามที่ท่านนาบีสอนไม่มีปัญหาเลยท่านนาบีสอนเราว่าโรคระบาดนั้นเป็นอะไรนะเป็นอาจาบชนิดหนึ่งอัลลอฮจะลงโทษใครก็ได้แต่ในฐานะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮต้องมองเป็นรัมมมองเป็นความเมตตา ทำไมเราต้องทูดเจ้าเนี้บยบ่อยๆเตือนหัวใจเราเนี่ยให้เราพบกับความลำบากแบบนี้เนี่ยไม่ให้ด่าใครไม่ให้ตำหนิใครให้ขอว่าแล้วก็มองโรคโควิดนี่เป็นร่ำมะก็หลายคนเนี่ยเป็นคนใจดีในช่วงโควิดนี้ใช่ไหม <c oughs> จัดอาหารส่งยา จัดเป็นกลุ่มขึ้นมาเยี่ยมคนนั้นไปเยี่ยมคนนี้นี่เป็นความเมตตาทั้งหมดเนี่ยนั่นเรก็ต้องกล่าวลอัลฮัมดุลิลลาฮ์ทีนี้ถ้าเกิดตายขึ้นมาทั น, นี้ก่อนก่อนเจ็บไข้ใดป่วยเนี่ยนบีก็สั่งให้เรากั ก, กตัวอยู่ที่บ้านนะยำกุสูฟีใบตีฮีให้กักตัวอยู่ที่บ้านอยู่กี่วันเนี่ย สระรวงสาธาสุขมาอธิบายต่อว่า14วันแล้วก็อย oui> uh um no> ู่แบบไหนครับรอบิรนอยู่ด้วยความอดทนหมวยตาซิบันหวังรางวัลตอบแทนจาก Allah แล้วก็ต้องมีดวอาดิตยนะ Allahu ma i n i auzubika min al barosi wal junun wal judam wa min sayyil ascom covid 19เอาใส่ไปแต่ไม แล้วก็ถ้าหากว่าเราปกป้องแล้วเนี่ยออกจากบ้านใส่อะไรนะใส่หน้ากงหน้ากากบางคนสองชันช้นสามชั้นก็กระ ก, กนั้มันไปนะถ้ า, ากเกิดตายหลายคนนี่พูดว่าโควิดทำให้คนตายนี่เป็นอาสบาบอย่างเดียวแต่ที่เขาตายนี่ไม่ใช่เพราะโรคโควิดตายเพราะอายันของเขามาถึงพอดี ต้นึกตรงนี้ตอนที่เราอยู่ในท้องมารดาเราเนี่ยอายุได้ร้อยยี่สิบวันนะ น, นะอัลลอฮ์ให้มาลายกิกามาเป่าวิญญาณตอนอยู่ในครันมารดาต้องนึกภาพตรงนู้นพอเป่าวิญญาณภาพเนี่ยเราเนี่ยดินในในมดลูกมันดินอัลลอฮ์กำหนดให้สี่ลายกาหนึ่งริสกีของเขาจะได้เท่าวร่อ ย, อยู่บนโลกปัญญาแบบนี้ สองอาญาของเขาจะมาเมื่อไรริสธีมาก่อนแล้วก็ตามด้วยวันตายข้อที่สามคุณจะมีอาชีพทำอะไรเห็นไหมอาชีพนี้ทุกกนทุกคนแล้วข้อที่สี่เนี่ยคุณจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วอลัลลอฮ์ให้เลือกไนะถ้าเลือกคนดีเรียศาสนาฟังคุณอ่านนี่ ถ้าจะเป็นคนชั่วกดทิ้งอิสลามด้วยวสิมาต้องมามัสยิดมาต้องแต่งงานด้วยมาต้องรับผิดชอบอะไรเลยก็อยู่แบบแบบคนชั่วๆนั่นแนหะละถ้ามีให้เลือกจะรู้ว่าอาลัลลอฮ์ให้เลือกอลัลลอฮ์กำหนดให้เสียรายการหนึ่งริสกีของเขาได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้พูดถึงริสกีด้ยนะอาจาร์ที่จะเรียนวันนี้สองอา ญ, ญาญของเขาจะทั้งคนที่ตายเนี่ย ฤิสกีหมดนะ่ะพอฤิสกีหมดอาจารย์มาเราก็มีสาเหตุสาบับโรคนั้นโรคนี้โรคนี้โรคนั้นก็ตามมาทันี้บางคนเนี่ยลืมนึกถึงอรรถไปเลยโอ้โหโรคโควิดทําให้คนนี้ตายเอ้ยไม่ใช่นะคิดใหม่คิดใหม่นี่เตือนกันทำไม่เชื่อก็ได้จะ่ปัญหาเหรอใช่ไห ม, ไหมแล้วก็มีอาชีพแล้วก็จะเป็นคนดีตะโคนชั่วต้องนึกถึงอรรถตลอดเวอลา อัลฮัมดุลิลลวันนี้มาถึงอายาที่ี่ิครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอายาที่สี่สิดผมอ่านนิดนึงนะทบทวนของเก่าหับาดาลาฮุมไซอะตุมะกัสะบูวะฮะกบิหิมะกานุยะสตาฮิอู ดูคันแปนรโดยรวมก็คือจะปรากฏขึ้นแก่พวกเขาไซอีาดความชั่วมากระับบูที่เขาได้ประกอบไว้ความชั่วที่เขาทำเอาไว้จะปรากฏให้เขาเห็นนาตัวนะ <c oughs> ความชั่วที่เราทำเอาไว้บนโลกดนยานี้ลรายังไม่ได้ตาบ้าตัว เรลลาจะให้บาดาให้ปรากฏขึ้นแก่เขาอุลมะแนะนำอย่างนี้เขาสอนนะหนึ่งตอนใกล้จะตายตอนวิญญาณจะออกจะร่ำเนี่ยความชั่วที่คุณทำเอาไว้นะ่ะเห็นหมดเลยนะอลลอออุลลอ้ลลนี่เจอแล้วอันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ทำไมฟาโรจึงพูดว่าอามันตุตอนจะจมน้ำตายุู้ฟาโรบ่ากษัตริย์ฟิราห์น่ะเป็นกษัตรย์นะรวยทุสุด ๆ, ๆนะสั่งฆ่าเด็กเอาไว้อะสังฆ่าหมดเลยอ่ะตอนจะตายอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยอพอเห็นการลงโทษของอัลลอฮ์ตรงนั้นแหละอามันตุพูดภาษานี้อัลลอฮ์เก็บภาษาไว้นะ ฉันอีหมานฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงครับพูดทำไม <c oughs> และพวกเราคนพันการที่นอนตาอยู่บนบ้านวันนี้ถ้าทำเรื่องไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็ยังไม่แต่ตาบ้านยังมาลกกับกงิกับเราเจอนะบางคนเที่ยวฉันนอนที่โรงพยาบาลราคาคืนละสองมืนเชิญจะกินล่านก็เชิญเถอะ เอ็งเจอาดาปอตาเนี่ยอลัลลอฮ์เล่าชีวิตมนุษย์เจอแบบนี้ทุกคนทําความชั่วเอาไว้อลัลลอฮ์จะปรากฏให้เห็นมากาสบูสิ่งภูเขาได้ขนขวายเอาไว้วะฮาปอบิฮินดูต่อไปแล้วก็ได้สกัดแก่พวกเขาไว้แล้วมากานุยาสตาซิรุนสิ่งที่พูกเขาได้เยาะเย้ยต่อ อิสลามเยอะเยอะแต่คำสอนของ Allah, อัลลอ์เยอะเยอะแต่สุนาาัขนบีเยอะเยยกูรานเยอะเยยดูถูกอิสลามนี่นะถูกสกัดไปหมดแล้วแล้วก็ไม่หายไปไหนด้วยน่ากลัวครับเรากลัวเนี่ยอราเราก็แบบหลายคนหน้าตาเหลือกตอนตอนตอนนะตอนวิญญาณจะออกจากร่างขอเล่าตรงนี้เลยนะครับ คนที่ <c oughs> ประธานาธิบดีของรัเสเซียคนแรกที่ที่เปลี่ยนรัเสเซียนมาเป็นประเทศที่ไม่มีาศาสนาเนี่ชื่ออะไรผู้เลิศชื่อไปแล้วนะตอนจะตาย <c oughs> คือก่อนตายนี่ททำกิรกรรมไปเยอะาศาสนาไม่มีาศาสนาคือยาเสพติกก็พูดใส่หูคนทั้งโลกอ่ะ <c oughs> ปรากฏว่านี่ลูกสาวเล่าเอง <c oughs> ไปยืนเฝ้าพ่อตอนวิญญาณจะออกจากร่างประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีเนี่ยพ่อยกมือขึ้นอย่างนี้ฉันกลัวแล้วลูกสาวเราเองะฉันกลัวแล้วจากหน้าขาวๆเปลี่ยนเป็นหน้าสีดำเห็นอะไรรันท่าผู้ที่ศรัทธากอาเราตรงนึกนี่ไงอะไรนี่ ว่าบาดาลหุ้มไซอาตุมากาซาบูความชั่วที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว้จะปรากฏให้เขาได้เห็นมันเห็นอยู่สองสองที่หรือสามที่ก็ได้ก่อนตายนอนอยู่ในกูโบตอนม า, ล, นม า, านลิก้าอาจจะว่านั่นแหละจะเจอแล้วก็ตอนฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพน่ะ เจอสามที่ ข, ขอทั้งหมดตอนนีอยากให้เป็นคนที่ทําความชั่วจะให้ปลอดภัยนะครับอยู่ในอิสลามนี่แหละดีที่สุดแล้วก็เรียนอิสลามไปน้องบอกเมียด้วยบอกลูกด้วยลูกเอออยู่กับศาสตาอิสลามนี่แหละปลอดภัยที่สุดนี่เราเล่าให้ฟังงนะไม่เชื่อก็ได้มีปัญหาเราเกิดเอาต่อมาครับอุคที่สี่สิบเก้า فَإِذَا مَسَّ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن َ ض ُ ر ٌّ دَعَانَ ث ُ م َّ إ ِ ذ َ ا خَوْلُهُ َ ل ن ِ ع ْ م َ ت َ مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَة ولكن أكثرهم لا يعلمون ฮัมดุล illah อ๋อเราเล่ชีวิตของมนุษย์ให้ฟัง فإذا مسأل إنسان دُرُن دعنا ثم إذا خَوَّلناهُ نَأَمَّا َ م ِ ي ن ا قال إنما أتيته على علم بنهي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون الحمد لله أدو ساب มาศะนี่แปลว่าพ หรือสัมผัสมสซาเลยนะเดิมเนี่ยแปลว่าใครที่กระทบผู้หญิงเนี่ยคมซาซาเอามือไปกระทบภรรยาคัมซาซาแต่ตรงนี้แปลว่าประสบอินสันอะไรมนุษย์ดุดรุ่นความทุกข์ดานะพวกเขาเรียกร้อง ขอดูอาต่อเราอธิบายยังไงมนุษย์เนี่ยนิสัยมนุษย์เป็นอย่างนี้ทั่วโลกเวลาเขาพบ ก, กับความทุกข์ความลําบากมีปัญหาเดือดร้อนอย่างพบโรคโควิดนี่แหละนี่ก็ลําทุกข์อยกูดูเนี่ยคนไม่ทุกข์ก็มีแต่คนทุกข์น่ะเนี่อลอฮฺหัวใจใครหัวใจมันต้มด้วยเขาเองอะ่ะ ไฟดะไดะมัสสลินซานะดุดุรุนดาณะนี่นิสายมนุษย์เ ด, เดิมเป็นอย่างนี้นะเมื่อทุกขภัยหรือความเดือดร้อนประสบแก่มนุษย์ดานะพวกเขาก็วิงวอนขอดุอาจากเราใช่หรือไม่ใช่บางคนก็ขอพิด <c oughs> ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไอ้ราก็ดูดูเฟซดูไลน์นี่นะพี่อน้องชาวไทยเรานี่นะมองอะไรก็ตัวเลขหมดเลยใช่ไหมเป็นหวยหมดเลยแต่เราก็คิดเรื่องเองินเงินเงินเงินอย่างเดียวอ่จะได้กี่ล้านแนะ่เท่าไรเท่าไรเท่าไร่มบินเป็นอย่างนี้ไหมไม่ใช่ครับต้องเปลี่ยนใหม่นะ เรานะ่คิดถึงอิมานตักวายตินยสานอิคลาสสุนนะนบีนไหมนบีสอนยังไงเวลาเจอปัญหาเดือร้อนเนี่ยเจอนน่นเจอนี่นะี่คิดอะไรเนไหมนี่ a l l สอนมนุษย์นี่นะตามธรรมชาติแล้วเมื่อพวกเขาพบกับความเดือดรอ้อนหรือทุกขก์กระยเขาก็วิงวอนขออุอาจจากเราขอให้พ้นนะ ซุมาเอดาเขาวัลนาเขาวัลนาเขาวัลาเนี่ยแปลว่าประทานให้เมื่อเราได้ประทานให้แก่เขาเขาขอใช่ไหมเราจะให้โรคโควิดออกห่างจันฉันขอให้ฉันหาจากความจนหน่อยขอให้หันฉายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหน่อยขอเอารอไป ล, ลให้ เนี่ยอามัดันความเมตตาให้แก่เขามินนาเนี่ยเห็นยังความเมตตาจากจากเราอัลลอฮ์เล่าเองนะความเมตตาจากเราเห็นไหมความเมตตามันจะมาจากยุโรปนะไม่ใช่มาจากจีนนะไม่ใช่นะมาจากใครนะมินนาจากเราเห็นยังครับนี่ตกราตต่ออิมานนะความเมตตาทั้งหมดเนี่ยมาจากอาลัลลอฮ์ ที่ออกมาจาบ้านมานามาสฟุบโบที่มาสจิญได้นี่มาจากอลัลลอฮ์นะที่เดินออกมาจาบ้านใน ม, มืนหัวนี่มาจากอลัลลอฮ์นะตอนโยนในบ้านนมืนหัวสงสัยจะมาโซเราไม่ได้แต่พอยินเสียงอะจารแน่มาไหวอ่ะนี่มาจากใคร อ, อัลลอฮ์ลุขึ้นนมาแต่ฮัตยุทธำท่าจะไม่ไหวแต่พอขึ้นได้ต้องนึกอลัลลอฮ์ให้อะทำดูดีแ ล, ล้วต้องนึกฉะนั้นเนี่ยหมัดทั้งหมด ที่เราได้รับนั้นมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ต้องนึกแบบนี้แ ล, ล้วก็ใจสบายเอาต่อมาคับซุมกอละอินนามอูติทูฮาละอิลมินกอละเขาแปาวว่าเวลาได้รับเนื้อธรรจากอัลลอฮ์เขากแาวว่าไงนะ อินนามาอูติตุหูลาอิลมิอินนามาไปวพียงแต่อูติตุหูฉันได้รักมันอาลาอิลมความบุเพื่อความรู้ของฉันเนื่องมาจากความรู้ของฉันนี่นี่นเล่าอัเลเราเล่าให้ฟังเนี่ยมนุษย์เวลาลำบากขอทวาง เวลาอัลอเคลีะร์คายปัญหาให้พูดว่าไงนี่เป็นความสามารถของใครของฉันเองอัลลอกเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแต่ยังอย่างนี้คนดีหรือคนชั่วเป็นคนชั่วครับแต่ริสกีกก้ตัดไหมไม่ตัดให้อำมตำแหน่งให้เงินให้ทองให้ลูกให้เมีย อ, อีกห้าคนไปต้องแต่งด้วยเอาไปเลยบ้านอีกเจ็ดแหลัง รถอีกกี่คันน่ะอะไรโจโจโจนะจะไปกี่คันละ่ะเอาลยสามสิบคันราคามีเงินอยู่สามสิบไรล์ดเอาไปเลยครับแล้วพูดว่าไงนะฉันได้มาทั้งหมดเงินก็ดีบ้านก็ดีเมียที่เป็นดารากอดีได้มาชนะจากความสามารถของฉันนี่เป็นสันดานนี่เป็นนิสัยของมนุษย์ ที่ไม่รู้จักอัลลอ์นี่เล่าเล่าให้ฟังแต่จริงป่าวจริงครับเราเป็นอย่างนี้ไหมอย่าเป็นเราต้องทำตรงกันข้ามอัลลอฮ์อัลล์ให้มาทำดุลิลาอัลลอฮ์ให้ฉันมาทำดุ ล, ลิลาสุดยูดเลยครับทำดุ ล, ลิลาบัลฮิยาฟิชนานีคือคำตอบตรงกันข้ามฮิยาฟิชนาะ มันเป็นการทดสอบให้คุณลำบากเป็นการทดสอบต่อมาให้คุณสบายเป็นการทดสอบให้คุณเจ็บไข้ได้ป่วยไปรักษาหายเป็นการทดสอบเมื่อก่อนนี้คุณยากคนจนเงินไม่มีอลัลลอฮฺให้รีสตีมี อ, มอาชีพทำได้เงินมาหลายแสนหลายล้านเป็นการทดสอบทั้งหมดสบายใจไหม นี่ทำออกของชีวิตผู้ศรัทธาต่อหรอกต่อมาครับวลากินสาระหุมและยลมุนแต่ว่าส่วนมากของพวกเขาไม่รู้จะรู้ได้ยังไงล่ะปฏิเสธอุราิสปฏิเสธคำสอนสุนนะนบีนบีสอนไม่หมดเรื่องนี้รู้ได้ไงแต่เมื่อไม่เรียนเนี่ย เพราะว่าอิสลามโอ้ย่าอย่า่ยไปเรียนอิสลามผู้ก่อการร้ายอย่าไปเรียนขนาดตอริบานเนี่ยด่ากปเลกเ ล, เลยไม่เห็นเหรอกดทีผู้หญิงกดทีสตรีไม่ให้เรียนหนังสืออะไรต่ออเต็มไปหมดเลยเขาเป็นรัฐบาลอาเมริกาคุณมากี่ปียี่สิบปีใครหน้าแต่งานครับเนี่ย และอิสลามผมมาได้ไงเป็นรัฐอิสลามคุมมา20ปีสำเร็จมั้มไม่สำเร็จแต่ไน้าแตกชายปัญญาเองกนแล้วกันี <c oughs> ตกลงว่าความสุขความสบายใครให้อลัลลอฮ์ลำบาทอาลัลลอ์ก็ให้ทีนี้เวลาพูดนาฉันเนี่ยมีเงินมีทองเพราะความสามารถของฉัน ฉันมีน่นมีนี่เพราะความสามารถของฉันเองไม่นึกถึงอัลลอฮฺอายะต่อไปข้อ9ิข้อ91ข้อ92ข้อ9ุข้อ94ข้อ95ข้อ96ข้อ97ข้อ98 ฟ้ามาเอื้อนา ا ันหุ่มมากันหุยัก ل ์สิบุอบคุณิลล่ฮฺบกอนก็ละก็แปลว่าแน่นอนก็ลฮะได้กล่าวมันประโยชข้างบนเนี่ยอินนามาอูตีตุฮูลอิลมินฉันเนี่ยได้มา เนื่องจากความรู้ของฉันภาษาเนี่ยเอาลอเก็บมาเล่าต่ออีกนะคนที่พูดภาษานี้มีไหมกอดกละฮัลีนามิกอบลีิมก่อนหน้าพวกเขาเหล่านั้นก่อนหน้าคนอาหรับมักกะก่อนหน้านี้พวกไหนก็มีหลายกลุ่มนั่นแหละเอาที่เห็นชัดๆก็กรูนล่ะกรูน้วพูดภาษานี้นะ อุตตูหูอาลาอิมฉันได้เงินได้ทองมามีชื่อเสียงเกียรติยศในสังคมเพราะความสามารถของฉันเพราะความรู้ของฉันเพราะเพราะเพราะจักฉันหมดเลยไม่โยงกับใครกับ Allah เห็นหมเอาต่อมาครับฟะมาอันานอุนฮุมอักนาแปลว่าอำนวยประโยชน์มาแปลว่าไม่ ไม่มีประโยชน์อันใดแกเขาเลยมากานวยษีบูนที่พวกเขาได้ขนขวายเอาไว้ยังก็รู้นะขนขวายมีเงินเยอะใช่มากแทนที่จะได้ความเมตตาจากอลัอลลอฮอัลลอฮทำไงให้แผ่นินสูบเพราะภาษาพระใจกับปาก พูดผิดนะท่านได้เงินมาเพราะความรู้ของเจ้านี่เองพูดผิดครับอัลลอฮ์ลงโทษให้เห็นแล้วก็เล่าให้นิบิลมาฟังสอนพวกเราวันนี้คนที่พูดผิดมีความรู้อวดดีมีเงินอวดดีมีตำแหน่งอวดดียิงไปโกธีคนเอกนะเองเองถูกแน่แต่ว่าชารู้ไวทูก <laughs> นั่นนั้น คนที่พูดภาษานี้ในอดีตมีไหมมีครับพูดว่าไงอินนามาอุตติทูอัลลอลมินฉันได้รับความเมตตามายอะแยะมีเงินมีทองมีบ้านอยู่มีรถต่างหลายสิบคันมีเมียเป็นดาราด้วยนี่เป็นความสามารถของฉันในในอดีตอลัลลอฮ์ลงโทษหมดแล้วแต่ในปัจจุบันนี้อลัลลอ์ไม่ลงโทษครับ เพราะอนนบิลมัดขอดูอาเอาไว้อัลลอฮจะอย่าพุ่งลงโทษคนที่พูดแบบแบปบรู น, นี่แหละอย่าเพิ่งลงโทษนะเราวิงเวลาเอาไว้ให้เขาสองอย่างเนื่งสำนึกตัวไปเรียนศาสนาซะถ้าไม่เรียนศาสนา เป็นการสะสมความชั่วว่าที่เราน้อนเราน้อนเรานอ ย, นอ ย, นอยไปเจอเอาตอนจะตายอย่างเดียวนะอายุยตายทิงยาอัลลอฮ์ตอนริ ญ, ญญาณจะออกจากร่างสองตอนนอนอยู่นในกุโบสามตอนฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพเจอแน่ครับนี่กูอ่านอธิบายให้ฟังอต่อมาครับตูรู้ว่าคิดผิดมีโทษไหม โทเทิศนี่ไหมครับฉะนั้นเราต้องพูดใหม่แล้วทั้งหมดนี่มาจากใครอัลลอฮ์แล้วก็นอบนอบ้อมทำตนต่ออัลลอฮ์อย่าตะกรั บ, บุดอย่าเย่อหยิงอย่าจงองหองมีเงินมีทองบริจาคคุณเนาะยินบริจาคอัลลอฮ์ Allah, ยินเพิ่มให้ไม่ใช่ลด <c oughs> บริจาคเลยอัลลอฮ์จะเพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มให้ใหอะตอมาญาที่ห้าสิบเอ็ด ฟ أ َสَบบ่หุมใจَาตุมักซَบَวُ و ละเนน ه ะล่ำม ي ่งมินเฮอุล่าใจอุ ا ิบุหุมَจอาตุ ا ัَซَบุว่ามาหُมْิِอัจจิ ا ่าสَฟ้าสาบหุ่มเสียทุมากัศพบุวล้าที่หนَ ا ดามَ่มในเฮาลาสาเยื้อรบุหุ่มเสียَุมากัศพَุว่ามาหุ่มบีมหِีนข้อานี้ตรงการจัดเตือนอย่างนี้ ถูกลงโทษแล้วอให้ตายทางว่าตายแล้วน่ะจบไหม <c oughs> จบไรไม่จบตายไปแล้วเนี่ยอาลามมาไหมตอนตอนตอนตายหลังตายมีไหมมีครับ <c oughs> เขาเรียกว่าอาลมบัริส์ย <c oughs> อยู่บนดุนยานี่ททำอะไรผิดอลัลลอฮ์ลงโทษตอนตายถ้าสมัยก่อนอลัลลอฮ์ลงโทษเลย บนดุญญานั่นเลยเห็นกันหมดเลยแต่สมัยนี้ไม่มีครับอลัลลอ์ไม่ให้ครับขอบคุณอลัลลอ์นี่ถ้าเราไม่เรียนไม่รู้นะเรยกว่าอัลลอห์โหฉันแน่ฉันแ น, น, แน่ไม่ใช่ที่อลัลลอฮ์ไม่ลงโทษคนทำผิดวันนี้เพราะนาบีขอดุทิศเอาไวนะ้น่ะอัลลอฮ์รับุินบีไม่เคยขออุอาศสาปแช่งใครเลยแม้แต่นบีถูกขวางคืงมังตร อ, อิฟนบีว่าไง อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เขาด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้ใช่ไ น, ะนบีไม่เคยแก้แค้นคนเราเองมันก็เหมือนกันวันวนี้เวลาถูกใครด่ามาถูกตำหนิมาอะไรมาถูกเมียบ่นบ้างอะไรบ้างทั้งวันนั่งเฉยๆทำได้เป่าคนที่ทำได้ก็ควรฟังศาสนาเยอะๆฟังรเรื่องนบีเยอะๆเนี่ยก็ทำได้แต่ถ้าไม่ไม่ฟังเรื่องนบีนะ กซือ้อรถให้เมียขับไงซื้อบ้านให้เมียอยู่ให้เดือนนึงเดือนละสองหมื่นอเวลาเถียงกันเมียต้องเงียบก่อนใช่หรือไม่ใช่คิดแบบนี้ลพิษคิดพิษ <c oughs> หน้าที่ของสามีต้องรับผิดชอใช่ไหมแล้วรางวัลไปเอาจากอัลลอฮานู่นใช่ไหมมันจะไปเอาจากคน อามีเอาไปทำ ง, งานทั้งโลกถัวเครย่ออีกอ่ะแค่นั้นอยู่แบบมสลามสบายที่สุดเลยนะครับเดีลล๋ยวดูสับฟออบาอซอเบฮุมเพราะฉะนั้นผลร้ายจากความชั่วที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ไซยิอาแปลว่าความชั่วมากะซบูที่พวกเขาประกอบเอาไว้ความชั่ว ที่พวกเขาประกอบประกอบเอาไว้ก่อนตายนะอ่าีนเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองวันล้ายนรกละมูและบรรดาผู้ที่อายุติธรรมทํำอเลมกับตัวเองทําซอเลมกับครอบครัวทํำอเลมกับสงังคมกับ่อ้นมนุษย์เช่นยังดาอิสลามเนี่ยอเลมไหม ฝนเทตระเบิดเมื่อวานนี่ใช่วันที่สุบเอ็ดใช่เป่เดือนเก้าใช่ไห ม, ไหมอ่านั่นแหละอุซามาบบลลาดินคนเป็นค น, น, คนทาแล้วก็ด่าอิสลามเพอมองไปมองไปมองไปคนรัาอิสลามเต็มเลยศาสนาอิสลามเนี่ยมันแปลกนะนะอัลลอสานเองในคัมภีร์คุณอ่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ คุณก็ทําความท่วมคุณไปเถอะใช่ไหมวางแผนทำลายอิสลามไปเถอะส่วนนบีก็ทํางานดาว่ต่อไปแล้วผลสุดท้ายจะดูว่คนที่วางแผนทําลายอิสลามจะเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นอามุลลาอีฟังนี้แครู้เปล่าวันที่นบีมุฮัมมัดมาเนี่ยมาเผยแพร่ อ, อิสลามเนี่ย อิสลามีมามาปลดล็อกนะมาปลดล็อกนะปัญหาที่มนุษย์อยู่ด้วยความลำบากอิสลามมาแก้ขอยกตัวอย่างสมัยนบีมูฮัมหมัดตอนมานี่นะในยุคนั้นเนี่ยนะเวลาภรรยามีประจำเดือนคนยูฮูดีเขาสอนกันนะให้สามีไปอยู่นอกบ้าน อยู่บ้านลังคาเดียวกันไม่ได้ทานอาหารหม้อเดียวกันไม่ได้นอนบนเตียงเดียวกันไม่ได้สามีต้องอยู่ข้างนอกพอประจำเดือนหมดกล้วกถามว่าหมดยาอะไรพวกนี้แล้วก็เข้าได้เข้าบ้านได้ถามว่าอึดอัดตาประชาชนยาฮูดีมันก็สั่งให้พวกอารับ แต่ละคนมา ก, กาเนี่ยไปถามมูฮัมมัดสิเวลาไปมันสั่งอีนะอย่าเรียกว่ามูฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เดี๋ยวหูตามันจะพองให้เรียกว่ามูฮัมหมัดบินอัมดุลละอย่าเอ่ยคำว่ารอซูลเห็นยังครับเขาก็ไปถามเพราะว่าเลือดเลือกประจําเดือนเป็นยังไงเพราะพวกนั้นอยู่ด้วยความลาบากอุดอัดมนาะ ประจำเดือนเมียนมาทีมันอยูุ่นนอกบ้านเจ็วันแวันเราเครนะียดอ่ะเอาลอกประทานอันกูอานลงมายัสอาลูนักอานิมาฮีพวกเขาทั้งหลายมาถามนาบีเกี่ยวกับเรื่องเลือดประจำเดือนกุลฮุวอาจาม u h a m m เออจงตอบเขาเลือดประจำเดือนเป็นสิ่งที่อศกโปฟะต้าิลุนสาฟิลมาฮี อย่าร่วมหลับนอนกับภรรยาขณะที่พระยามีประจำเดือนแค่นั้นทำอย่างเดียวคืออย่าร่วมหลับนอนกับภรรยาแต่ว่าอยู่บ้านลำเดียวกันได้ไั้ยได้นอนบนที่นอนได้ไหมได้จับจับถือตัวได้หม ด, ห, มดหุงคักกินอยู่ได้หมดยกเว้นอย่างเดียวร่วมหลับนอนไม่ได้หทลอบเห็นยัง จนทั้ทงวันนี้เอาไปใช้กันหมดทั่วโลกอ่ะไม่ได้คิดถึงอิสลามอ่ะไม่ได้คิดถึงว่ามูฮัมหมัดมาเนี่ยมาปลดโรดแก้ปัญหาให้อ่ะไม่ได้คิดถึงอิสลามอ่ะแล้ววันนี้อประชาประชากรเท่าไหร่นะที่ร่วมรับนอนกับภรรยาคาถาเทพประจําเดือนยังมีอยู่นะแล้วเป็นโรคที่ตามมาก็คือโรคมะเร็งปากมดลูกเราไปเช็คดูสิ ทำบาบอ่ะเนี่ยยังครับเราวันนี้อะใจมุ่งกับผู้หญิงทรมานเจ็บมาเพราะว่าผู้ชายมูจาัอิสลามอ่ะฉะนั้นเรื่องร่วมหลับนอนกับภรรยาขณะที่มีประจำเดือนเองถูกแน่ๆใครถูกภรรยาถูกเองอ่ะเป็นอะไรนะโรคมะเร็งปากหมดลูกนะอุบิาละ อิสลามมาเคลียร์มาแก้ปัญหาใหอ่ะยังไม่ได้ถึงนร้อยเลยยังไม่ได้ถึงนบีมุฮัมมัดเลยไปด่าอิสลามอยู่นั่นนหะอิสลามเลวมุสลิมเลวยังด่าคนยะลรับอิสลามเพิ่มขึ้นใช่ไหมอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยขามันออกมาอิสลามจะนำเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมตอนนี้เป็นเบอร์สองอยู่ทำไมเป็นไรออต่อมาครับ วันไลนอรลามูและบรรดาผู้ที่นีเรื่องเรื่องที่สองนะผู้ใดที่อาธรำอสร้างความสร้างความอายุติธรรมจากมินฮาอุละจากในหมู่พวกเขาเหล่านั้นใสยเอดความชั่วที่ภูเขาได้ประกอบเอาไว้ ว่มาหุมบิมวกยีดินและพวกเขาจะหนีไปไหนไม่ได้หนีไม่รอดถ้าจะให้หนีรอดมีอยู่ทางเดียวตวบ้าตัวอขอยกตัวอย่างทำความชั่วสมัยนบีลูดใช่ไหมรอด ล, ลงโทษห้ารายการพร้อมกัน ทยอยมาหนึ่งไปล้อมบ้านนาบีลุตพ่อมาลายกามาหานาบีลุตมาไปม า, มาเป็นแขกใช่ไห้แต่ที่มาลายกามาเนี่ยมันมาในรูปร่างเป็นคนหนุ่มไอพวกเกมันก็เห็น อ, อยากได้อ่ะมันก็มาล้อมบ้านนาบีลุตสั่งนบีลุตส่งเกส่งผู้ชายมาในมาหาฉันหน่อยวบลุตก็กลัวนะ พอมล า, ายกาสแสดงตัวว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนนะมล า, ายกาอาลัลลอฮฺถามดูและนบีสบายใจมล า, ายกาบอกว่าไม่พอมือฉันมลายกาเอามือเอาปิ่งเนี่ยตบตบใบหน้าเนี่ยไอ้เกที่มายืนล้อมบ้านนบีรูเนี่ยตาบอดหมดเลยนั่นอลัลลอให้เห็นข้บนดุนยาน่ะแต่สมัยนี้ไม่มีครับ เรื่องที่สองอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาเป็นก้อนหินมีชื่อติดด้วยนะคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ผมก็ น, นึกต่อนะโรคระบาดโควิดอันนี้มีชื่อด้วยนะติดใครติดใครประเทศอเมริกาบัตยุโรปฝรั่งเศสประเทศไทยมีใครบ้างติดชื่อหมดเลยนะต้องนึกนะไม่ใช่ไม่นึก เรื่องที่สามอัลลอ์ให้แผ่นดินไหวอัลลอ์เรื่องที่สี่พลิกแผ่นดินเรื่องที่ห้าเจ็บเอาไว้เป็นเดซีปัจจุบันน่าแตะกว่านี่อัลลอ์ให้เห็นน ะ, ะนั้นเขาก็ถามพวกอาหรับในนครมา ก, กา์ที่ไม่เอาอิสลามอ่ะผู้เองอ่ะอยู่นครมา ก, กา์แล้วก็เดินมาทำค้าขายถึงเมืองชาม เดินผ่านเดซีเนี่ยล้วคุณได้ขวาคิดอะไรบ้างสอนให้คิดสอนในเตือนไม่คิดก็เรื่องของเองเน่ยพราะคุณอ่านสอนแล้วอธิบายให้ฟังแล้วไปทำดยลิลาอาบน้องเอาความรู้ไปนิดนึงอยากาให้บ้านมีบรกัการไหมอ่ามีย น, นความรู้เนอยนะอยากให้บ้านตัวเองภรรยาลูกหลานมีบรกักาในบ้านเอาอย่างนี้ ให้ทำแปดข้อคุรานอธิบายอย่างนี้นะครับวะอินนาหูลาหูดาวะรหมัดันลินมุมินีนถ้ายิงกุรานเนี่ยเป็นทานนำกุรานเป็นรหมัดสำหรับผู้ศรัทธาต่อ Allah ให้ทาอย่างนี้ให้อ่านอุบิลลาฮิมินัสไยตอนิรจีมที่บ้านอ่นานบ่อยๆอาอุบิลลาฮิมินัสไยตอนิรีม ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากไชตอนพูดบ่อยอันที่สอให้อ่านบิสมิลลาฮิรราะห์มานุราะหิมไม่ต้องรอกินข้าวหรอเดินเดินอยู่อ่ะบิสมิลลาได้ไหมได้ไม่ต้องรอเปิดเปิดทีวี v, อนบิสมิลลาปิดประตูบ้านบิสมิลลาเปิดหม้อข้าวไม่ต้องรอบิสมิลลาไม่ต้องรอไม่ต้องรอทำกับบิสมิลลา อยู่ว่างๆนั่นแหละอ่าอูซบิลละบิสมิลละเยอะๆเรื่องที่สามอ่านสุรอฟาติฮะในบ้านอ่าลูกอ่านอ่าภรรยาอ่านอ่านกันข้อที่สีอ่านสุรอบากรออ่าอันนี้มันต้องลงมือแล้วอ่านกุณอ่านสุรอบากรออย่าแม้ก็เปิดยอะไรนะบนซีดีเอ่อเปิดทิ้งเอาไว้ผมไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ดูไบ บ้านคนี้ภรรยาก็ดีเปิดคุรานทัางวันเลยผมไปสองครั้งเขาเชิญไปกินน้ําชาเราเข้าไปกันน่งปีเป็นชั่วโมงเลยนะนางคุยกันผมไปสองครั้งมีคุรานทั้งทั้งทั้ ง, ท, งทั้งสองครั้งท่นนานภรรยาก็มีศาสนาบ้านมีบริการครับถ้ามีเสียงเพลงบริการมาไหมบริการไม่มีครมีแต่ใส่ตอนเข้าบ้านจากนั้น พรยามี่ส่วนประกอบทำให้บ้านมีบรรยากาศเยอะมากครับเรื่องที่4ีนะครับให้อ่านสองอายะสุดท้ายของสุรบกรลกอามานารซูรูบินมาอุลนี่นะภรยาอ่านบ่อยๆนะเรื่องที่หกอ่านอายะรูสนะีนสุรบกโลเหมือนกัน เรื่องที่เอ่านราอิ خلاص กุลวะลวะฮัดอัลลอฮุซมัลัมยลิวลมยูลดวลมยุลลูกุฟานอฮัดเรื่องที่แอ่านสุราคุลอาวุบิรับบิลฟลกมิชัริมาคลักนี่อ่านใจบแล้วุอับนามาเนี่ยอนาสฟาลกกุลลอะฮัดอานบไปหาดกับอิหม่าม มัมบูดาอูดีมามมุสลิมดีมามมุสลิมดีมามติดมิดีมัมบุคอรีเอาขดิสมาทั้งหมดเนี่ยพว่จะให้บ้านเรามีบารากัดภรรยาต้องช่วยด้วยนะลูกก็ต้องช่วยด้วยอ่ากิ่เมตตนนะครับประมาณย่าที่ห้าสิบสองนี่พูดเรื่องริสกีครับอวะลัมยาลามูอันอัลลอฮะยาบสุตุลริสกัลิมัยยชา و َ ي َ ق ُ د ِ ر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِلِكَ ي ُ م ِ و ن ُ ا ل ل ه أكبر ا ل َ م َ ا ء ِ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ و َ ي َ ق ُ د ِ ر อินนั <entreprises i an> <kişi> a, ้นใน ذلك الآيات اللي قوم يؤمنون อัลลอฮฺอัลลอฮดุลิอายนี้พูดเรื่องริสกีริสกีแปลว่าอะรเครื่องยังชีนี่ภาษาของอาจารยดิเรเครื่องยังชีพอลลัมอวัลัมยาลมอแปลว่า พวกเขาไม่รู้หรอกหรือไม่รู้เลยอวัลลามยาละมูพวกเขาไม่รู้หรื อ, รอรนี่พูดถึงอารัปมา น, น, นรมักกะฮิจิบรี ม, มหานบีใหนบีมาฮิจิบรีมาบอกนบีให้อ่านคูอ่นานอะไรนี้อ่านให้นบีฟังอวะลลามยาละมูพวกเขาไม่รู้รอันอัลลอฮ์แท้จริงอัลล์นั้นอะยัมบัสลตู ยับสุดเนี่ยสับเดิมไปว่าแผ่ให้แผ่ไปเลยเอา้ากกยแผ่ให้แผ่ให้ฟาโรอะไรตำแหน่งเป็นกระัตรแผ่ให้ไคนะกอรูนลูกกุญแจไขคางคนแบกตั้งหลายคนนี่แผ่ให้แล้วก็แผ่ให้คนยิงพามาน เป็นข้าราชการที่เชื่อฟังกษัตริย์เอาไปเลยตำแหน่ง เ, นเลือบัลลั์นี่อัลลอฮ์ให้นะอินนัลลอฮัาายะบสุตุลริสก่อแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยทรงแทนริสกีลิไมา ย, ยาชาแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสมไม่ใช่ผู้มุสลิมด้วยนะ พนองมุสลิมอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นมุสลิมแล้วริสกีต้องเยอะไม่ใช่เอาไซนามบีลานะ่ะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมุสลิมเปล่ามีบ้านอยู่เปล่าไม่มีมีเมเปล่าไม่มีมีครอบครัวใหญ่ป่าไม่มีครับมาจากที่อื่นน่ะนบีสร้างเพิงเอาไว้ให้ไซนาบีลานอยู่ทําอะไรบ้าง ก็เรียนอิสลามเดีย์ทนบีรับรับอิสลามนบีขึ้นมนีรอรชมาลายกาบจิบรีนพาขับอึ้นสวรรค์เจอไซนาบิลันเดินอยู่ข้างหน้าบ้านไม่มีเมียไม่มีรถไม่มีคารุหัดไม่มีเมียดาราไม่มีแต่เดินอยู่ในสวรรค์น่ะแต่ขอคิดอะไรไปนอเป็นอิสลาม เชื่อฟังปฏิบัติตามนาบีเรียนอลัลกุรอานแล้วก็ทำหน้าที่อาจารย์อัลลอฮลวาวัได้ไปสวรรค์เห็นยังแล้ววันนี้เราหลงอะไรอนะ่ะเอ็งหลงผิดแล้วก็เหนื่อยฟรีนะ่ะเหนื่อยแล้วแทนที่จะได้สวรรค์กลับได้อดาบในกูบัวทำทำไมอยู่ใหม่คิดใหม่ใช้ชีวิตใหม่ อัตุตุับอินนัลลอฮฺยาบุสูตุริสกาลิมายาชะแทกินอัลลอฮฺเนี่ยสแผ่ริสกีให้หรือว่าขยายอ่าบาสลาตออายาบุสูตุแบบขยายหรือแผ่ในตับสีอธิบายอย่างนี้นะเวลาเราจะให้ริสกีใครเนี่ยไม่ใช่ให้แบบเขื่อนพังอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะ ให้น้อยๆทนิดๆทีนิดๆนี่เป็นอัลลอฮฺสอนนะฉันจะให้ฤสกีคนน่ะจะเป็นความรู้ก็ดีเงินก็ดีสติปัญญาก็ดีสมองก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันจะหายมันจะหายทั่วเลยนะค่อย um. ๆหายใช่ไหมอ่าเนี่ยค่อยๆให้เนี่ยนี่เป็นงานของอัลลอฮฺไม่ให้แบบทัดท่า ค่อยๆให้คนกาเฟ่ก็เหมือนกันเนี่ยนบีสั่นะเวลาท่านพี่น้องสอนพูดศรัทธาต่อเราเวลาเห็นคนกาเฟ่ที่ไม่เอาอลัลลอฮ์ไม่เอาสุนนะนบีไม่เอาอิสลามทำความชั่วกินเหล้าเต้นรำเข้าบาร์ในขับเนี่ยลว้วก็ตามแต่แ ล, ล้วอัลลอฮ์ให้ตำแหน่งเขาให้ริสกีเขาให้นู้นให้นี่เต็มไปหมดนี่นะอย่าไปเสียใจอลัลลอ์ให้ ค่อยๆสู่ความหายยนะนานี่นบีสอนเองครับพี่น้องเห็นคนกาฟเ ฟ, ฟมีนูน่นมีนี่มีนี่มีนั่นมันเหนือกว่าเราอ่ะนั่นแหละอิสติโดรยันค่อยๆให้ให้ทีละน้อยนสู่ความหายยนะออแต่ก็ภาษามาเกิดสู่ความสิ้หายค่อยๆให้อ่ะเห็นยังไม่รู้สึกตัวครับถ้ามากินข่าตัวตายะ ทำไมาจงมมึงสามีกล้ายิงสามยิงยิงพรยาทำไมาจับลูกแขนคอนข้างขามันออกมาต้องเห็นในเฟซในไลน์เต็มไปหมดนะทําไมามันกล้าตัดหญ้าพี่น้องได้ก็เพราะอย่างนี้ไงไดริสกีมาแทในใจขอบคุณเอาละ่ะกูไม่ถูกกับมึงกูด่ามึงกระดมมุสลิมเขาไม่ทํากันซาบานาบีเขาไม่ทํากันแต่คนที่ทําอะไรคนนี้ไ่เอาไม่เอาอิสลามมาดําเนินชีวิตนะนอย่างกับ ต่อมาครับตัวลงวงอริสกีเนี่คยค่อยๆมาใช่ไหมอ่าเวลาเอาเวลาดึงกลับก็ค่อยๆดึงกลับเหมือนกันไม่รู้สึกตัวนะต่อมาครับวายักษ์กรดิบยับกษกดีกรู้ไหว่าให้แบบคับแคบพวกเราวนเนี่ยอยู่แบบนี้แหละสังเกตังๆนนะให้แบบไม่มาให้พออยู่ได้ใช่ไหมมีบ้านหลังหนึ่ง เวลามีบ้านน่นึกถึงบ้านนาบีด้วยอาบ้านนาบีนะอย่างหลังเล็กหรือหลังใหญ่เ <c oughs> วลาเืนขึ้นเนี่ยหลังคาติดติดยืนติดเลยนะ่ะอันบ้านนาบีแล้วก็เวลานาบีลุกขึ้นนมาตะหัยุตตอนกลางคืนนะ่ะต้องผาักเท้าภรรยาขึ้นนะ่ะบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ อพาร์ตเมนต์นายใหญ่กว่านะต้องนึกนึกถึงนบีก่อนอย่างไอชาลเล่าเองนะที่บ้านนาบีเนี่ยบางทีสามเดือนไม่มีมีไรนะไม่มีควันเขาถามว่าเรากินอะไรอะ่ะกินอินิพาาหมกับง้ปลากลาปลามนชีวิตนบีเป็นชาวสวรรค์ทําดียวเลยเอาต่อมาครับ อินนาฟิลาลิกแท้จริงในนั้นในรีสกีที่เ่าได้ฟังเมื่อกกี้เนี่ยละอาญาตมีหลายสัญญาณหรือเขมียุมีนูนสำหรับชนผู้ศรัทธานี่เป็นประโยชน์กับรามากนะพระอิมานต่อรอดใช่ไหมละอาญาเอี่ ย, อ, ายาอิมานในรีสกี น, นยูดันแบบจนบ้างรวยบ้างพอมีบ้างสบายใจที่สุดสุขภาพกำกันวันนี้ดีอัลฮัมดุลิลลาถ้าจะปวดอัลฮัมดุลิลลาไม่มีปนะัญหาเราไม่โวยวายอ่ะนี่อัลลอฮ์เล่เาอ่านเขาว่าริสกีไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะริสกีไม่ใช่บ้านอย่างเดียวริสกีมายถึงความรู้ความสามารถอยากอื่นสมองสมองสติปัญญาที่เลาให้เราทั้งหมดที่ เิสกีที่มองไม่เห็นจริงห่ะอยอะเย็ไปหมดเลยอิมานก็เป็นริสกีด้วยนะครับมีคนโทรพท์มาถามผมอาบน้ำน้ำหมาดเนี่ยใช้น้ำกี่กระพงกี่ลิตรผมมาตอบแอบว่าอิมามุคอรอิมามุสลิมสอนอย่างี้นะครับอว่านบีสอนบบอว่า ท่านนาบีท่านอ น, น, นาตรายงานบอกท่านนาบีนะอาบน้ำนำมานในช่น้ํามุดหนึ่งมุดนึงอธิบายยังไงพี่น้องที่ตัวงข้าสารฟิตเตอร์ขาสารฟิตเรี่เนี่ยสี่มุดต่อหนึ่งเส้นท่านละอกาศนะฟิตรีนะนต่นะเชาววันหยุดนะใจนบีเนี่ยอาบน้ําน้ำมันในช่น้ำหนึ่งมุด น้ำเล็กเดียวแต่ถูเยอะอ่าถูเยอะแต่ไปดูพวกเราเปิดก๊อกเนี่ยโอยทำไมเปิดแรงเลยนี่นะฉะนั้นเรียนศาสนาด้วยโอ้นาบีเนี่ยสอนให้อาบน้ำน้ำมาดแบบน้ำประหยัดแล้วก็นาบีก็พูดถึงแม้ว่าบ้านคุณอยู่ริมแม่น้ำก็ตามต้องประหยัดหมดเลยครับอิสลามมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์น้ำไม่ใช่ไม่มีนะ คนที่อานาน้ำแบบประหยัดนะ่ะมีรางวัลครับไม่ใช่ไม่ใช่มิเตอร์ในขึ้นอย่างเดียวนะมีรางวัลตอบแทนจาก oh อัลลอฮ์เองตั้งหากเพราะว่าปฏิบัติตามสุนนะนบีแล้วก็ถ้าจะอานาน้ำเนี่ยใช้น้ำ ม, มาเกลีประมาณห <l itt s> ้าห้ามุดลิตรก็ใกล้ไงถ้าเราเนี่ยตีก็บ่หมา ถามว่าสบู่เดี๋ยจำเป็นจะต้องฟอกหรือเปล่าไม่จาเป็นครับควพรมรูป ม, มาเจอผมไม่ใช่นะไม่จาเป็นต้องฟอกสบู่ทุกครั้งถ้าฟอกสบู่มันจะพอะเหรอไอ้น้ำลิตก ว, กว่าเนี่ยหรือห้าลิตรเนี่ยสองลิตรสามลิตรเนี่ยไม่พอถามว่าไม่จำเป็นต้องฟอกสบู่ทุกครั้งไป น้ำถูกร่างกายถูกผมพอแล้วลยครับได้เลยแล้วอันนี้เม่ต้นนะครับเอาต่อมาครับยาสุดท้ายตัลงอริสกีเนี่ยมาจากใครมาจากอัลลอฮ์นะยาสุดท้ายนะครับกุลยาบาดิัลลีนาอัลลอฟุฮาลาอัลฟุิซหม ลาตักนตุมิ الرحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الحمد لله الله เมตตามนุษย์นะ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ลาตัคนตูมิลรัมมะติลลอฮ์อินนัลลอฮะยัฟฟิรุลนบะจามีอัอินนัฮูฮูลกัฟูรุลราะฮีมอาจาสุดท้ายล้วขอบคุณดิลลาอิบาดีดูสับเบาของฉันเอ่ยใช่ไหมอัลเลเมตายัง ยาอิบาดีกุลมุฮัมมัดเอ๋จงพูดกับประชาชนหไหมพูดว่ายาอิบาดีป่วมเบาของฉันเอ๋ยผูจ้จ่าเพาะด้วยเพาะฉะนั้นกับลูกกับเมียตัวผู้จาดีอย่าปติวาติมันทำอาหารอะไรกูแดกไม่ลงพูดอะไรอะนมาดห้าเวลาทุกวันแต่ผู้จาไม่เป็นอะ เปลี่ยนไหมเปี่นิสัยไหมพูดดีๆสิยาอบาดีโอบาของฉันเลยเนี่ยรถคุมมดเลยจักรบาลเลยนะอัลลาลีนะอัสรอฟูบรดาผู้ที่อัสรอฟูเนี่ยมาจากอิสรอมแต่ว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีเงินใช้จ่ายไบฟุมฟุ่มฟุ่มเฟือย แต่ตัวนี้ตัวการจะอธิบายว่าใครที่ละเมิดละเมิดทำอะไรเกินขอบเขตเช่นทำบิดามลบาปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยกระรกกฟตุตทำชริกเอกเป็นมุมินเป็นมุสลิมเป็นคนแข่ไปหาโตเตะเกียดด้วยเนี่ยสามสี่กลุ่ ม, มนี่แ่ะกลุ่มมุมินที่ทรยศ ต, ต่ออัลลอฮ์มิบามี เป็นมุ่มิงในด้านนมาสุโลมีเป่ามีครับเป็นมุ่มิตบหน้าเมียมีป่ามีครับทั้งหมดเหล่านี้นะเตือนอัสล่าฟูผู้ที่ละเมิดนะละเมิดบทบัญญัติสําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สำหรั บ, ออรบคนกาเฟติปฏิเสธอัลลอฮ์เลยคนมุชริกเนี่ยคนที่นับถืออลัลลอฮ์ด้วยนับถือพระเจ้าอือ่นๆด้วยสามสี่กลุ่มนี่อัลลอฮ์เตือนนะ อาจาอฟูซิหิมต่อชีวิตของเขาละเมิดบรรดาผู้พูดได้ละเมิดต่อชีวิตของเขาเช่นเป็นคนกาฟเฟ่เป็นคนมุสลิมเป็นคนทำบิณฑบาสามกลุ่มเลยนะล้ตถ้าตนาตัวยาหมดหวังสบาจใจไหมยาหมดหวัง จะผิดแค่ไหนก็ตามอย่าหมดหวังมีรักมาติแลาจากความเมตตาของอ AH. ัลลอฮ์สบาใจไหมจะเป็นคนชั่วกิกนเหล้านะมุสลิมกินเหล้ามีเปล่ามีมุสลิมทําศีลามีอย่าหมดหวังอัลลอฮ์ตบบาตรตัวซ ส, สารภาพผิดต่ออ AH ัลลอฮ์ซะเข้าหาอ AH ัลลอฮ์ซะเรียนศาสนาหนา อย่าหมดหวังต่อความเมตตาของ Allah ทุกคนมีความผิดหมดใช่หรือไม่ใช่ยกเว้นนบีคนเดียวที่มมีความผิดเราเนี่ยก็ผิดผิดตั้งเยอะแยะฉะนั้นตบบาตตัวซะเอาต่อไปอินนัลลอฮแท้จริงอนนลลอฮฺยากฟิรุสุนุกกว่าฟารอยากฟิรแปลว่าสมอภยัยสมอภยัย อาจุนุบความผิดเห็นไหมเพราะอาัลลอฮ์เนี่ยให้อภัยความผิดอย่ามีอาทั้งหมดเลยเห็นไหมความผิดของคุณจะมีเท่าภูเขาก็ตามความผิดของคุณจะมีเท่าน้าฟองใ น, นทะเลก็ตามอิมุกซิดอธิบายดีเขาว่ามีชายอยู่คนนอธิบายบอกว่าฆ่าคนมาแล้ว99บคนนะ แล้วก็ไปหาอืหลังการจัดตบะตัวเนะี่ยไปหาคนอาบิษคนที่ชอบมามัสยิดนะมาทํานรมงค์นมาแล้วก็แต่งตัวแบบอาเมอลมูละมานึกว่าเป็นอาเลม <c oughs> แต่เป็นคนที่อยากเรียศาสนาเนี่ยนั้นก็แต่งตัวดี <c oughs> ก็ไปถามคนนั้นเราท่านครับ <c oughs> ฉันนี่ฆ่าคนมาแล้วเก้าสิบเก้าคนจัดตบะตัวได้ไหม อาเบคุนี้นะ่ะชอบทําอิบาดะแต่ศาสนาไม่เรียนไงน้นำมันระพุทธออกน้ำมันระพุทธออกกูไม่เรียนเนศาสนาก็ไม่เรียนนี่แหละพวนี้ระวังอะ่ะพอเขาถามปัญหาพระ ก, ก็ตอบอนะ่ะฉันนี่ฆ่าคนมาแล้วเก้าสุก้าคนจะตาบ้งตัวได้มันก็บอกไม่ได้อันนี้ก็มโหฆ่าคนนี้ถอยกลายเป็นร้อยคนต่อมาคนนี้ก็สมมุติกันไง ก็ไปหาอาเลเอากุศลในฆ่าคนมาแล้วร้อยคนจะตาบ้าตัวได้เขก็บอกได้แต่มีเงื่อนไขอย่าอยู่ตรงนี้อย่าอยู่ตรงคอนเคสิอย่าอยู่ไปอยู่ที่ใหม่เขาก็กำหนดสถานที่ให้พนะอไปได้ครึ่งทางกว่ากว่าหน่อยล้วความตายมาพอมาก็มาเลกามาสองกลุ่มมาลกา เอาวิญญาณความคนดีและคนชั่วมาทเลาะกันเสร็จแล้วยิวบเรนบอลลมามาตัดสินเอาลอสมมามาตัดสินให้วัดพืด้นที่แต่หาว่าคนคนนี้นะ่ะไปอยู่พื้นที่ใกล้กับคนดีเป็นชาวโซนถ้าอยู่ใกล้พื้นที่คนชั่วเป็นชาวนารกพรวัดฐานที่แล้วนะ่ะอยู่ใกล้คนดียังไม่ได้ทำความดีเพียงแต่ตั้งใจ จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเอลัลลอฮ์ให้แล้วนี่ฮะดิษนี้อธิบายอัลลอฮ์ดีมากเพราะนั้นเราอย่าท้อแท้ใครที่ไม่เคยนามาดมาเลยเป็นคุณเป็นมุสลิมวันนี้กลับตัวซะไม่เคยจ่ายอากาศมาเลยอย่างเงินเินทองเยอะวันนี้จ่ายซะพอเริ่มจะจ่ายเริ่มจะทําความดีนะแบบนี้ อ, นอ่ะอัลลอฮ์เมตตาอานะเข้าใจนะเอาต่อมาครับ อินน่าวะลลฮุรราะห์ฮีมแท้จริงพราเป็นผู้ทรงอภัยแล้วก็ระให้เมนผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮัมดุลิลลเนี่เราสั่งหมดนะให้ต บ, บ้าตัวนะสั่งคนกาแฟสั่งไหมสั่งสั่งมกมินไหมสั่งสั่งคนทาบิณอ์อาด้ยวยพอมุดลืมชอบทอาบิณห์อาอะไรที่นบีไม่ทำมาชอบทำกันนะกัน อย่าไปทาของในนบีไม่ทาจะทำกัาไมความชั่วมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอย่ า, ามาของในบีไม่สั่งไม่ทำ ม, มีระหวังระวันงต่อแทนเถอะเราเขาจะให้หหหออยังไงฉันส่งนบีมาเป็นบุคคลตัวอย่างดันไม่เอานาบีเตาด่ า, ดาตำหนิคนเย็ยนสุนนะเป็นพววนั้นพวกนี้ก็ต้องอดทนนะอัลลอฮ น, อนอเวลาครับสุภาอลลอฮุมมามบิฮามดกะลาิลาฮิลัลลอฮอัออตอสตกะวะติล